ب กลับมาพบกันเช่นเคยในทุกๆวันตอนเช้าในช่วงของการอธิบายอันกุรอานซึ่งใน เราก็ยังคงอยู่ในการอธิบายซูลอันเนบะซึ่งหมือนที่บอกกันแล้วว่าซูล อ, อในยุสอา ม, มาเนี่ยสมมติจะกล่าวถึงในเรื่องของวันเกียรมาซึ่งในเริ่มต้นของซูล อ, อที่เราได้รับทราบกันแล้วก็คือจะกล่าวถึงสภาพของตัวบุคคลที่ปฏิเสธการฝืนกันชีพปฏิเสธการกลับไปของเขาที่กลับไปยังอโล แล้วก็ก็พยายามที่จะกล่าวถึงเรื่องราวเนี่ยมัดความปลดปลานของพระองค์อันมากมายที่ให้คนได้คิดได้ถึกต้องและก็พระองค์ก็ได้กล่าวถึงสภาพบุคคลต่างๆที่ปฏิเสธต่อพรองค์และก็ผลลัพธ์ที่จะได้รับเช่นคนที่บริเสธก็ต้องถูกลงโทษกับไฟในรกต่อมาในอายะที่ต่อมาก็คืออายะที่31ถึงอายะที่40 เราก็ได um hmm. ้กล mm ่าวถึงบุคคลที่อ ي م ا บุคคลที่ศรัทธาว่าอะไรบ้างที่เขาจะได้รับจากการกระทำของเขาจากการ إ ي มานจากการศรัทธาของเขาที่มีต่อลอุบฮานาลซึ่งในอายะมาลอุบฮานาลได้กล่าวว่าอุ้มสบิลไลมินันิรมอินนลมุตกีนามฟาซาฮดาอิกาวะอานาบะวกวอิบะตราบวกศนิฮก ซึ่งใอัลยตมาเราได้กล่าวว่าอินนลินมุตซากีเนมะฮะซะแต่จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะฮาดาอิกวาอานะบาเลือกสวนหลากหลายและอังุนวกกว่าอิบอัชรอบาและบรรดาสาวัยรุ่นที่มีอายุคราวเดียวกันวกกับเนเดฮะก็และแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม และย่อมไม่ฟีห์ละกวัวละกิดแทบในส่วนสวรรคนั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคําพูดไรสาระและคากล่าวทิศยาแอามีรับปีกลางตัอัลฮิซาบะทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระเจ้าของเจ้าเป็นการประทานให้อย่างพอเพียงรบบิษณมาวะชีวันอัรดีวะมาใบนะคุมะรอฮ์มานลายัมลิกูน์มิห์ฮุคิดอบะ พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาพ ร, ระนิพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวกับพูดใดๆต่อพระองค์ย่มาโยกูมุรุวันมาเลยกตุสฟะและยาตะกลมูนอิลลามันอัลญินละหุอัลรอฮฺมานวะกาลัซวาบะวันที่จีบรีและมาริกายืนเป็นแถว พวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่บลงทรงกรุณาพลานีอนุญาตให้แก่เขาและพวกเขาจะพูดสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นอินนาอังซารนะคุมอาซาบันกอรีบาเยามายังซุลุนมาร์ฮุมะกัดดะมัตจัดะวยะกูลุนคาเฟรุยาไลชะเนียกุนตุตุรอบาแต่จริงเราได้เตือนบวกเจ้าแล้วถึงการลงทโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองมือของเขาได้ประกอบไว้และผู้ปฏิเสธสัตตาจักรวา โอ้แต่ฉันเป็นฝุ่นดินเสียจะ ด, ดีกว่าซึ่งในอายะนี้เราสมิตาลาได้กล่าวบอกถึงสภาพของบรรดาคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ซึ่งเราก็ได้กล่าวถึงบรรดาอนุตตกินหมายถึงว่าคนที่นำพาตัวเองออกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อดทน ในสิ่งที่ a ล l a ได้ใช้ซึ่งอินัลมุตะกีนัมฟาซา Allah ีนัทตะกูสักขะต้ารบบิหิมบิตมัสสุกบิตต้าะวอลอินกฟาอัมมายุคริฟฟฟะลหุมมาฟาดวามุลติบวับบอดุนอันินดารว่าฟิซาลิกันมาฟาดลหุมซึ่งคำมุตะกีนคือคนที่กลัวความกลิ้วโกรดของ Allah s u b า a n a h u wa t a a หมายถึงว่าเมื่อเขาได้รู้ว่า สิ่งใดที่ล้อเกลี้ยกล่วยเขาก็กลัวที่จะไปกระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นความกลัวหรือว่าตัวบ่งชี้ว่าเขาเนี่ยกลัวต่อความเกลี้ยกล่วยก็ล้อก็คืออัตมา ส, สุขบิดต่ออันทีก็คือการที่เขายึดมั่นด้วยกับการเชื่อฟังต่ออล้ออะไรที่เป็นคําสั่งใช้ที่ล้อใช้เนี่ยเขายืนหยัดยึดมัน่นและก็เขาก็ละทิ้งสิ่งที่ล้อห้าม ซึ่งการกระทเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จและเป็นความปลอดภัยจะทําให้เขาห่างไกลจากไฟนรกนั่นเองฉะนั้นความสําเร็จของผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอยู่กับอัตตกว่าตราบใดที่เรามีความยำเกรงตอลอดในสิ่งที่ล่อห้ามในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมแน่นอนมันก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จของเราอย่างแน่นอนซึ่งใน สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราห้ามสิ่งที่เป็นบาปถ้าเรายังจงปลักถ้าเรายังตั้งใจที่จะทํามันต่อไปแน่นอนคนเราก็จะได้พบกับสิ่งที่เป็นอะไรก็แล้วเป็นความวิบัติอย่างแน่นอนในชีวิตของเขาทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าและกัผลตอบแทนก็คือในส่วนสวรรค์เนี่ยเราก็ให้มีอะไรก็แล้วมีเลือกมีสวน มากมายแล้วก็มีภรรยาที่เป็นเด็กสาวคลาเดียวอายุคราวเดียวกันก็คือนี่คือความไก็คือความสุขเตียร้อยใชใ้ได้รับวาแกสันดิฮาก็มัมลูอะมินราฮัยและจซตุลิลชารีบีนและก็ในสวนสวรรค์นเนี่ยจะมีแก้วน้ำที่มีเครื่องดื่มที่หลากหลายที่ในแก้วเนี่ยจะเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดนี่คือสภาพของของอะไรของ ชาวสวรรค์เลยสมอน่าฟาลกวะัละเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไราสาระที่ไม่มีประโยชน์และโกหซึ่งในสวรรค์ น, นั้นเขาจะไม่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสิ่งไราสาร ะ, ะสิ่งไราสาระเนี่ยจะเป็นคะพูดจะเป็นการกระทำแต่เราเห็นได้ในโลกออนไลน์ที่มีการเกิดเป็นคลิปที่ไร้สาระที่มีการแชร์ต่อกันเยอะ ก็คนจะไม่คิดว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์หรือไม่ก็จะทําการโลกเรียนแบบคลิปที่โด่งดังแล้วก็จะมีกลุ่มคนต่างๆที่จะมาหวนกระแสกับกระแสที่โด่งดังก็คือในผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจซึ่งเราจะเห็นในดุนยาเนี่ยคนจะไม่คํานึงถึงสาระแม้กระทั่งคําพูดแม้กระทั่งการกระทำขออย่างเดียวให้สิ่งเหล่านั้นคือเป็นสิ่งที่หลายๆในสังคมและก็มีการ แชร์กันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านาคลิปเหล่านี้จะได้รับการตอบรับแล้วก็จะได้รับาการลอกเลียนแบบการแชร์ต่อซึ่งทําห้เมื่อเกิดการแชร์การเผยแพร่สิ่งไร้สาระเนี่ยเยอะก็จะทําให้สังคมเป็นเรื่องไร้สาระจะจะทำให้ค่านิยมของคนในสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้สาระลองเราเห็นคลิปอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลัก การศาสนาคลิปที่มีประโยชน์เนี่ยเราลองเราทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์บางทีเราอาจจะไม่แชร์เราอาจจะไม่ฟังก็ได้แต่ว่าเราแชร์แต่ว่าคนที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยคนที่บางทีก็อาจจะเปิดฟังคลิปนั้นเราก็ได้รับความดีเหมือนที่ท่านอับดุลเลาะห์สัลลัมได้กล่าวว่ามันละละละใครนฟะละมิสลุมิสลุฟะอิลี ท่านอบีบอมันดั่นแหละอะไรค่อยดินไคลที่ได้ชี้เนีคนให้ทำความดีเนี่ยแล้วก็มีคนมาทำความดีที่ที่เราชี้เนีเนี่ยก็คนคนนั้นเหมือนกับว่าได้กระทำความดีด้วยแล้วฉะนั้นทุกวันนี้ในสิ่งในความร้สาระของคนในสังคมเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมเราเราก็ใช้ใช้โลกออนไลน์ใช้สื่อสารออนไลน์บางครั้งเราเนี่ยขี้เกียจที่จะเอาสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระเนี่ยแชร์ขึ้นมาหน้าเพจหน้าเฟซของเรา แต่ว่าเรากลับไปแชร์สิ่งที่ไร้าสาระเรากลับไปโพสไปเขียนในสิ่งที่ไม่อ่อเกิดประโยชน์นี่คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนเราได้ใช้การสื่อสารในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางแลกะก็สิ่งที่เราเห็นได้คลิปการคลิปที่เป็นคลิปวีดีโอคลิปบรรยายคลิปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราจะมองในเรื่องของอในเรื่องติ่งสิ่งที่เป็นสาระเนี่ย คนแทบจะไม่ดูแล้วก็แทบจะไม่แชร์ฉะนั้นในส่วนสวรรค์เนี่ยร่อบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้ยินสิ่งที่ไร้สาระก็คือคําพูดที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์และคําพูดที่โกหกซึ่งเหมือที่บอกแล้วในปัจจุบันเนี่ยความไร้สาระกลับกลายเป็นสิ่งที่นิยมกับกลายเป็นสิ่งที่ถูกลอกเรียนแบบอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราในยุคปัจจุบันต่อมาสภาพของเจ้า สวรรค์ที่อัลลอ์ได้ให้ของและในะวันเกียมาเนี่ยอัลลอ์ได้กล่าวว่ารับบุมารบสมวาทิวันอรลวะมา بين عُمَر الرَّحْمَن لا يَمْلِكُنَّ مِنْهُ خ ِ ط َซึ่งในวันเกียมาเนี่ยเราบอกว่าพลานี่คือเป็นพระเจ้าของชั้นฟ้าทั้งหมดและแผ่นดินและในระหว่างทั้งสองก็เป็นก็ได้เป็นของอัล์มันของของัลล์และยมริกูนมินฮขิตาบะในวันเกียมาเนี่ยไม่มีใครมีสิทที่จะพูด มีมีสตียพูดอโลนเนี่ยเพียงพระองค์เดียวที่จะมีคาสั่งใช้ให้ใครก็ได้พูดใครก็ได้ที่จะมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์เราทรงจะละเยามยกูมรวันมาลากตุสฟวันที่อรุษก็เกิดจิบรีและก็มานั้นจะยืนเป็นแถวและยะตะกัลมูลัละบันอลิละละอินละฮุลรอห์มะนวะกลัสวบะซึ่ง ในจำนวนมาแล้ที่ยืนอยู่หรือบุคคลต่างๆที่ปรากฏหน้าเบื้องหน้าเราในวันเกียมานี่ก็คือจะไม่มีใครพูดอิลลามันอัลดนละอฮ์รอฮมานเว้นแต่บุคคลที่อัลลอฮ์มานที่อรอนุญาตให้แ่เขาได้พูดวากอลาสวาบาและเขาจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องต่า น, นั้นแาลิกันเยามุลหักวันนั้นนี่เป็นวันที่จะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน ฟ้อรบมาบใครประสงค์ที่จะยึดมันเป็นเป็นที่ที่ที่กลับไปอินนาองนาคุมอจเบังกอรเแต่จริงเราได้เตือนพระเจ้าถึงการลงโทษอันใครเยาว์มายังสุลุนมาคุมมาปดมาเจดะวันที่มนุษย์เนี่ยจะมองไปยังในสิ่งที่เขาเขาทั้งสองเขาได้กระทํมาถึง่าสิ่งที่เขาได้กระทาไว้ ว ย, ยยวยกลุ้นกฟิยอะไรฉันนี่คุณตุตัวเบาและผู้บริสิทธิ์จะกล่าวว่าหายหนแล้วแต่ฉันเป็นดินเสียจะดีกว่านี่คือสภาพของของคนในวัดเกียว่าวันที่อล้อเรียกให้กขาฝืนเกินชีพมาเพื่อทําการพิบากษาในสิ่งที่เขาได้กระทําเนี่ ย, เ, ยเมื่อคนเราอยู่ในตรงนั้นโดยเฉพาะคนที่อ่ามารู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เชื่อในวันสุดท้ายไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ล้อบอก เกิดความใส่ใจว่าขณะนี้เนี่ยแต่ฉันเนี่ยเป็นดินจะดีกว่าซึ่งตัวนี้ก็เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ไ ม, ไม่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับคนเมื่อเขาอยู่ณที่ตรงนั้นฉะนั้นโอกาสเตี้ยรอดได้ให้เราก็ดีหรือใครก็ดีที่มีโอกาสที่ยังไม่ได้เสียชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราสมควรจะทําก็คือการโมฆะสมตุนนับการสํารวจตรวจสอบตัวเองว่าณปัจจุบันเนี่ยระดับความศรัทธาของเราย อยู่ระดับไหนการงานของเราที่ตุต้มเจให้กับการ ง, งานที่จะขอเกิดประโยชน์ในในอะไรในวันอาคียรอนเนี่ยมันมีอยู่ขนาดไหนและความเชื่อของเราในโลกหน้านั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องใกล้ครวญจะต้องทบทวนให้มันฉะนั้นเร า, าที่เราเคยพูดถึงว่าในวันเกียร์มาเนี่ยมันจะมีสัญญาณก็ จะเพิ่มเติมในเรื่องของสัญญาณของบรรเกียมหาที่ซึ่งบางสัญญาณเนี่ยได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้อะไรก็ได้ได้จบเสิ้นไปแล้วและก็บางสัญญาณเนี่ยได้เกิดขึ้นและบางสัญญาณเนี่ยคือยังคงให้เห็นอยู่ซึ่งมัดที่ทราบกันดีแล้วว่าสัญญาณของบรรเกียมหาเนี่ย ม, มีสัญญาณเล็กๆเช่นสัญญาณเล็กอ่าก็คือเบียสะตุนนะนบีสัลลัลลอฮุอะลัยซฮ์ การที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลสลัสลมตูกส่งมาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของวันเกียร์มาก็หมายถึงว่าในยุค ข, ของเราเนี่ยเป็นยุคอาคีริสมานยุคท้ายๆแล้วก็เป็นยุคที่ช่วงสุดท้ายของการมีอายุไขของโลกนี้ประการที่2ก็คือเม้าตูสลลัลเนี่ยสำหรับการที่2 ส, สัญญาณของวันเกียม์มาก็คือการเสียชีวิตของท่านนบี ส, ลลลนสุลลัลฮุสลาลัลมและการที่สก็คือฟัดไบตุนมักลิษ ไบตุนมักดิสหรือไบอันกุสที่ฟิลิสเตียได้ถูกพิชิตก็เคยถูกพิชิตเคยถูกพิชิตขึ้นมาแล้วในในอะไรก็ได้ในในวันในยุคของวมัดบินคอตอบแล้วก็ถูกยึดครองกลับมาในยุคของเ ร, เราก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของยิวแต่มันก็จะถูกพิชิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งสัญญานี้ก็ยังคงเกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องหยุดแล้วก็ต่อเนื่องอันนี้ถือว่า แล้วก็เกิดโรคระบาดในเมืองปาเลสไตน์สิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากและก็ใกล้วันเกียมันคืออิสติฟาร์อัลมาลวันอิสติกนาอันอิสซาดะกในใกล้ๆถึงวันเกียมันเนี่ยคือรับสมบัติเนี่ยเยอะหมายถึงว่าผู้คนจะครอบกรองทรัพย์สินเนี่ยเยอะแยะมากมาจนกระทั่งว่าไม่มีคนที่จะรับซาละก็หมายถึงว่าคนเนี่ยจะมีสาตานะ ที่ดีที่ร่ารวยประการต่อมาก็คือซ uh ูฮุดอันฟิตันก็คือเกิดความวุ่นวายความาความยุ่งเหยิงในสังคมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มอันฟิตนาได้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านอาบับีเสียชีวิตก็คือที่ได้เกิดขึ้นถือว่าเป็นฟิตนาแรกก็คือการเสียชีวิตของท่านอุสมานบิน b. อัฟฟานรดีดลอนูที่ได้ตกสังงาน และก็หลังจากนั้นก็เกิดการสูร้รบเกิดขึ้นต่างๆมากมายระหว่างมุสลิมระหว่างท่านมวาวุฮัวมยดอะบินอบิซุบยาและท่านอะลีบินอบิสอเนบและก็เกิดกลุ่มฟดอกต่างๆเช่นกลุ่มคาวาริตกลุ่มเชียและนำมาซึ่งความเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งของคือกลุ่มมอตดิลล่าที่มีหลักความเชื่อว่าอันกุรอานเป็นมัคคุรซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากท่านอะบีเซวิตก็เกิดฟิตันหรือฟิตนาเกิดขึ้นมากมายหรือแม้กระทั่งยุคของเราเนี่ย การใช้ชีวิตในสังคมเราเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณธรรมของมนุษย์เสื่อมถอยลงแล้วก็เกิดความวุ่นวายต่งางๆมากมายการเก็งข่ากาอบบอันทะเลาะเบาแวงและก็ปัญหาสังคมที่เกิดอันนี้ก็คือรล้วและเป็นฟิชเร์นาที่เป็นสัญญาหนึ่งของวันเกียร์มาซูฮุดมุเดออันนูบะูะและก็เกิดคนที่มาอ้างตัวว่าเป็นท่านอาบีอันนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากท่านนบดเสียชีวิต ก็มีมูไยละมานกะซาบแล้วก็อันอัศวะอัลอฮ์สีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกมากมายที่บุคคลอ้างตัวเองว่าเป็นนบีแม้กระทั่งในประเทศไทยของเราในสองสามปีที่ผ่านมาที่จังหวัดกระบี่ก็มีคนมาอ้างตัวว่าเป็นนบีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งของอะไรก็ได้ของวันเยียมะม์เช่นเดียวกันแล้วก็ดียะอัลกามาน ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจของคนเนี่ยก็หมดไปหมายถึงว่ า, าหรือหรืออีกความหมายก็คือการที่บุคคลที่ขึ้นมารับตําแหน่งโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้มีความสามารถก็เราก็เห็นได้ในยุคของเราในคนที่ขึ้นมาสู่ตําแหน่งต่างๆโดยเฉพาะตําแหน่งที่มีความสําคัญที่มีค่าตอบแทนก็เราเห็นได้ว่าคนที่ขึ้นมาสู่ตําแหน่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ขึ้นมาด้วยกับ ความสามารถแต่ว่าขึ้นมาด้วยกับการใช้เงินการคอร์รัปชันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งของวันเกมะเช่นเดียวกันออมเดอร์ไลน์วาซุลอัญชันความรู้เนี่ยจะถตกเก็บความเขาก็จะกระจายจะปรากฏมากมายก็หมายถึงว่ากอบเดอรน์มีกอบดินอุลามะความรู้จะถตกเก็บด้วยกับการที่เราได้เอาชีวิตของบรรดาผู้ที่มีความรู้กลับไปอันนี้ก็ถือว่าก็เริ่มเกิดขึ้นอ่า แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤติการ์ดแคลนผู้รู้ประการต่อมาคืออินดิชาร์อัลจีนาการผิดประเวณีก็ได้แพร่หลายซึ่งการผิดประเวณีแพร่หลายในยุคของเราเนี่ยถือว่าแพร่หลายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสื่อในโลกออนไลน์เนี่ยไม่มีไม่มีการปิดกั้นในเรื่องของของอะไรของสื่อลามกุกโดยที่รอฐสมรชาดานได้กล่าวในอ้ยันหนึ่งว่าละตะกระบุซีนา่า พวกท่านอย่าได้เก้าใคร่สีนาซึ่งเราใช้คําว่าเก้าไครก็คืออย่าได้ไปเก้าไครกับสื่อที่นําไปสู่การสินาไม่ว่าด้วยกับการพูดการมองการคิดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นจะนําไปสู่การปิดประเวณีซึ่งในยุคปัจจุบันก็ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการติดต่อกันของผู้คนในโลกออนไลน์ที่สะดวกง่ายดายพูดคุยแล้วก็เกิดการสีนา การค้าประเวณี่ที่ผ่านโลกออนไลน์ต่างต่างก็เกิดขึ้นอย่างเยอะและง่ายรูทอันมาซิบแล้วก็เสียงเพลงก็จะเป็นที่แพร่หลายเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยการฟังเพลงของมุสลิมเราบางครั้งก็เกิดขึ้นบางคนบอกว่าเป็นอนาชิดโดยนำเนื้อหาของอันอิสลามมาขับร้องแล้วก็ใส่เสียงดนตรีไปฉะนั้นฮารอมเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อร้อง อแต่ว่าเกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเนร้องเพลงเดียวแต่สิ่งหลักๆ ก, ก็คือการดีซที่ป่อกันใส่ดนตรีก็ไปเราก็จะเห็นได้ว่าในสังคมมุสลิมก็เริ่มมีการขับร้องเพลงแต่ว่าโดยเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอนาชิดแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงเพลงขึ้นมากมายอันนี้คือสิ่งที่มุสลิมเราจะต้องคำนึงว่าาเมื่อคนมาฮะลันที่มองว่าของเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา นั่นก็คือเป็นสัญญาณหนึ่งของวันเกียรมาเช่นเดียวกันประการต่อมาก็คือกสบดชดดลคอมการดื่มสิ่งมึนเมาเกิดแพร่หลายมากมายอันนี้ไม่ต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของยาเสพติดในปัจจุบันที่มีหลากหลายชนิดก็ได้แพร่หลายในสังคมของเราโดยเฉพาะลูกหลานสังคมมุสลิมของเราเนี่ยได้ก็ไปบพอพันและก็ติดยาเสพติดเป็นจานว น, นมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาหนึ่งของวันเกียรมาเช่นเดียวกัน แล้วก็กัสตุนกัชการเกินข่าวกันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายกัสตุนเซลาสินแผ่นดินไหวก็จะเกิดขึ้นเยอะซูรุซูรกาเซียร์อาริยาชก็จะเกิดผู้หญิงที่แต่งกายแต่ยังเหมือนเปลือยกายอยู่ก็หมายถึงว่าในยุคหลังๆใกล้ใใวันเกียร์มาเนี่ยเราเชื่อว่ามุสลิมหรือการแต่งแต่งกายของมุสลิมเราเนี่ยจะแต่งกายไม่เรียบร้อยจะแต่งกาย สวมเสื้อผ้าแล้วแต่ก็ยังเหมือนเปลือยกายอยู่เช่นแต่งกายรัดรูปบางและก็ไม่สวมสายาบที่ถูกต้องตามหลักการศราสนาซึ่งการสวมใสยย่หยาบในหลักการศราสนาเนี่ยไม่ใช่ใส่แค่บ่าคลุมแต่ว่าการสวมใส่ตรงนี้ก็คือเราจะต้องแต่งชุดคลุมตั้งแต่ศีรษะถึงจต้าโดยที่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่ปกปิดทุก อ, อวัยวะต้องไม่บางต้องไม่ร่วม และต้องไม่ประดับประดาด้วยกับสิ่งของมีค่าเช่นแหวนสร้อยคอสร้อยมืออันนี้คือผู้หญิงก็ต้องปกปิดและก็ต้องไม่ใส่เครื่องหอมที่เสื้อผ้าของเราที่ให้เป็นตรงกล้ามได้กลิ่นหรือจะต้องไม่ใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีฉูดฉาดที่ใส่แล้วเป็นจุดเด่นสร้างความสนใจให้คนได้มองอันนี้ก็ถือว่าการที่ผู้หญิงแต่งตัวผิดหลักการอิสลามในสังคมมุสลิมเราที่เกิดขึ้นเยอ ะ, อะที่เรามีลูกมีหลาน ซึผู้หญิงแต่งกายไม่ถูกต้องนีถือว่าทุกครั้งที่เขาออกจากบ้านเนี่ยคือเขาได้กระทำสิ่งที่เป็นบาปและบาปเหล่านั้นก็คือเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นคนที่มีมีคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่เป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยจะต้องคาชับลูกหลานของตัวเองให้แต่งกายให้ถูกต้องตามด้านศาสนาเพราะผู้นําครอบครัวเนี่ยถ้าลูกหลานก็เราแต่งตัวไม่ถูกต้องเราก็ยังเฉยเราไม่มีการต่อต้านแน่นอนความผิดบาปเหล่านั้นไม่ ไม่แค่เกิดที่ตัวของเราเพียงเดียวแต่เกิดขึ้นกับลูกหลานกับตัวเราด้วยเพราะในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเราไม่สนใจที่จะสั่งใช้ให้ลูกหลานลูกเมียของเราให้แต่งตัวให้ถูกต้องตามหลักศาสนาซึ่งการที่มุสลิมเราปลุกมุสลิม้านเนี่ยบบปกปิดเปิดเผยเอาเนาก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรก็ได้เป็นสัญญาณหนึ่งของวันเกียร์มาแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือกัสลตุนีสะ สิ่งที่เป็นอารมณ์หรือเครื่องหมายของวันเกี่ยม้าเนี่ยก็คือจะมีสถิติจํานวนผู้หญิงเนี่ยที่มากซึ่งอันนี้ก็ในยุก่อนเราเราเห็นได้แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณหรือจํานวนของผู้หญิงเนี่ยมีมากกว่าผู้ชายในหลายๆประเทศและก็อีกมากมายที่เป็นสัญญาณของวันเกี่ยม้าที่ที่เราจะต้องคิดที่เราจะต้องไข้ครวญถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ ฉะนั้นในสุรร์หรือในยุสอมาเนี่ยคือแต่ละสุร์แต่ละอายาเนี่ยคือจัดกล่าวถึงสภาพของวันเกียร์มากเสียส่วนมากเพื่อที่จะตอกย้ำหลักความเชื่อให้เรามีความมั่นคงครับกับการมีชีวิตของเราในโลกนี้ที่จะประกอบอาหารการงานที่ดีเพื่อที่จะได้มีประโยชน์ในโลกหน้าอันนี้คือเป็นหลักความเชื่อฉะนั้นบางครั้งในความเจริญที่เกิดขึ้นกับวันเวลาที่เราหมดไปกับ การประกอบอาชีพในบางครั้งทำให้เราลืมที่จะคิดถึงเรื่องนี้ที่จะคิดถึงโลกหน้าที่จะคิดถึงความตายซึ่งชีวิตโลกหน้าของเราก็เริ่มเริ่มต้นเมื่อเราได้เสียชีวิตไปและเราอยู่ในหลวงฟอ ง, ฟงสงเนี่ยนั่นแหละคือก้าวแรกของยมุนอาคิระ์ของวันอาคิระ์ที่เราจะต้องประสบฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราอยู่ทุกวันนี้นี่เรามีซาเบียงมากแค่ไหนที่จะ นําไปใช้หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปซึ่งเงินทองที่เราจ่ายในโลกนี้เราสามารถซื้ออำเนยความสะดวกในการดําเนินชีวิตได้แต่ไปในโลกหน้าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะไปอำเนยความสะดวกให้เรามีชีวิตที่สบายก็คืออามานอัลซอและแล้วก็ก่อนที่จะจบในวันนี้ก็อยากจะนํำสุร้อหนึ่งที่เป็นข้อคิดให้กับพี่น้องได้คิดก็คือสุร้อนสั้นๆเตรียมลอดไดให้กว่าได้กล่าวถึงครอบกลุ่มของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ด้ยที่ Allah Subhanahu Wa t กล่าวว่าอุ้จุมิลลามีชัยตอนิรูจีบบิสมิลลาฮิราะห์มิราะห์มวัลาสอินนั่นอิงสานะลลฟิอุุสขอสาบานตะเวลา a l l a บอกว่าขอสาบานตะเวลาฉะนั้นสิ่งที่เรานำมาสาบานเนี่ยในกัมีรกุรอานล้วนแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและเกี่ยวโยงกับมนุษย์ตรงนี้เราก็คือต้องการให้เราให้ให้ความสำคัญคิดเอาประโยชน์จากเวลาอินนั่อิาะลฟุแ้จริงมนุษย์ทั้งหมดเนี่ย อยู่ในความขาดทุนแน่นอนเมื่อเราพูดถึงความขาดทุนเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนก็หมายถึงว่าคนเราเนี่เกิดมาเหมือนกันมาเหมือนกันไม่ได้ไกลมีสมบัติติดตัวอะไรไปแล้วก็รอให้มีเวลาเท่ากันนี่คือต้นทุนของเราทุกคนที่เท่ากันก็คือต้นทุนในเรื่องของเวลาแต่ต้นทุนอย่างอืงอ่นในเราอาจจะไม่เท่ากันแต่ต้นทุนเวลาเนี่ยคนรวยคนจนก็มีเวลาเท่ากันยีิบสี่ชั่วโมงแต่อยู่ที่ว่า คนที่จะบริหารจัดการเวลาเนี่ยจะใช้ไปอย่างไรแต่เราใช้ไม่ถูกแน่นอนเราก็เป็นผู้ที่กตุนแล้วก็กล่าวว่าอินละลีนะอมานูวะอามิลุสซาเลฮ์คนที่ไม่กตุนเนี่ยเว้นแต่บรรดาผู้ที่เขาได้ศรัทธาหมายถึงได้อิมานได้เชื่อต่ออัลลอฮ์เชื่อต่อ ว, วันสุดท้ายเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ลอฮบอกแน่นอนเมื่อเกิดอิมานวะอามิลุสซาเลฮ์เขาก็จะทําการงานที่ดี เขาก็จะทำการงานที่ดีแล้วก็ตรงนี้ก็เกล้าได้บอกแล้วว่าเมื่อเราอีมหมา่นเราศรัทธาเราก็จะก่อเกิดการงานที่ดีฉะนั้นสิ่งที่เมื่อเรามาสำรวจตัวของเราเองถ้าเราไม่มีการงานที่ดีนั้นเป็นตัวชี้วัดว่าการอีมหมา่นของเราอ่อนแอและก็เราได้บอกว่าคนที่ไม่กระตุนก็คือคนที่ Zhao: สั่งเสียกันในเรื่องของความอดทนสั่งเสียกันในเรื่องของศัจธรรมก็คือให้มีความอดทนยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามหมายถึงว่าใช้กันให้ทําความดีไม่ใช่เราทําความดีแค่ตัวของเราเองแต่เราก็ต้องพยายามที่จะใช้คนอื่นชักจูงเรียกร้องนี่แหละคือคุณลักษณะของบุคคลที่ไม่ขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็สําหรับวันนี้คงจะพบปะพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ว่าสัลลัลลอฮฺวะละนบีนะมูฮัมมัด وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته